อบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มบริวารเมตตาไม่สนใจกับอามิ t h หรือสิ่งตอบแทนในดๆเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมากเพราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ทำหนีไม่ได้นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลูก่นอกทางจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปเพราะส่ววิสัยของพระ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 ซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คํานึงถึงความลำบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทำประจําวันเวลาบ้างเลยจึงวมาถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ําบึงน้าบ่อเสียอีกหากไม่สมใจหวังบ้างก็ทําให้เกิดความขุนัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่การต้ อ, ตอนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชําระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายใน และระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียทําตามกันมาไม่มีสิ้นสุดพระที่ควรคเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีสารใดกล้าตัดสินลงได้วกว่างจริงพระบวชมาก็เพื่อทําประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทํางานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทางานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งๆทั้งจะเจียดเวลาไว้สําหรับโลก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 พระก็ไม่ใช่พระอิดพระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆสุดแต่ในช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นหน้าที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้จามต้องมีเมื่อยหิวอ่อนเพลียและมีการพักผ่อนย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยนก็หาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมทับถมรบกวนพระให้ท่านอันมณมทำตาม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 คือวัดป่าแก้วจุมพลอเภอสว่างแดนดินจวสกนลนครมาทางอุดรธานีเที่ววิเวกไปแถวอำเภอหนองบัวลําพูและวัดถ้ำกลองเพนซึ่งเป็นป่าเป็นเขาอันรกชัดในสมัยนั้นท่านเห็นว่าเหมาะกับอัธยาศัยในการอยู่และบําเพ็ญสมณธรรมจึงพักบําเพ็ญอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านที่มีชื่อว่าถ้ำกลองเพนดั่งเดิมก่อนจะเป็นวัดถ้ำกลองเพนขึ้นเฮซราบกันทั่วพายังกว้า ง, างนั้นในถ้ำนั้น เคยมีกรองเพนใหญ่อยู่ประจำถ้ำหนึ่งลูกมีขนาดใหญ่โตมากส่วนจะมีมาแต่สมัยใดนั้นไม่มีใครทราบและบอกเล่ากันมาบ้างเลยคงจะมีมานานเป็นร้อยปีขึ้นไปจนกรองเพนนั้นมีความคร่ำคร้าบผกพังแตกรกระจายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไปเองโดยไม่มีใครทำลายจนพวกในพรานเที่ยวหาละเนื้อเวลามาพักนอนในถ้ำยังได้เอาเศษไม้ที่แตกกระจัดกระจายออกจากกรองเพน มาหงต้มอาหารรับประทานกันชาวบ้านใกล้เคียงแถวนั้นจึงพากันให้ชื่อให้นามถ้านั้นว่าถ้ากลองเพลนครั้นต่อมามีพระทุกองค์ประธานไปที่ยวบาเพ็ญธรรมและพักในถ้ำนั้นบ่อยๆจนถ้านั้นกลายเป็นวัดคือที่อยู่ของพระขึ้นมาจึงพากันให้นามว่าวัดถ้ำกลองเพลนเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้แต่ดั้งเดิมมาในถ้ากรองเพลนนี้มีพระพุทธรูปขนาดต่างๆกันมากมาย ทั้งซ่อนไว้ในที่รับตาคนทั้งประดิษฐานไว้ในถ้าอย่างเปิดเผยแต่ดั้งเดิมที่คนนําพระพุทธรูปมาประดิษฐานรวมไว้ในถน้ำนี้มีมากมายไม่อาจคณ น, นานับได้แม้พระพุทธรูปทองคําเงินนาคทองสําลิดก็มีไม่น้อยแต่ถูกมารศาสนาเอาไปกินกันเรียบวุฒไม่มีเหลือมานานแล้วเหลือแต่พระพุทรธรูปธรรมดาดังที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้น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 เป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาลีมากเต็ไมได้วยหินผาป่าไม้น่าเรื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีบบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถือนเหมือนพระธุดงทั้งหลายก็เป็นอาตมิตรได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากพ้นทางที่น่าตําหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภายในปา่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาด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 ทำไมท่านจึงหลบปลีกปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เชนนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าทำเรามีน้อยสู้กําลังของโลกที่เชี่ยวจัดไม่ไหวจําต้องหลบปลีกไปถือนอยู่ต่อไปทำต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนา พ, พอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ ท, ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบปลีกไปในบางกรณีนั้น น่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทํำลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจํานวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรมความบีงามไว้มีจำนวนน้อยต้านทานน้ำหนักไม่ไหวก็จําต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่ควรเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตา น่าคิดสำหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่สำรวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรขัดสนบ้างจึงลำบากเรื่องคนหน้าด่านสันดานสัตว์ตามธรรมดาพระพุทธรูปทั้งมวลย่อมเป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวพุทธทั่วดินแดนไทยและต่างประเทศไม่มีใครถือเป็นของเสน จ, จันไรให้โทษให้ทุกแต่อย่างใดแม้จะเป็นคนดีคนชั่วขนาดไหนเมื่อมาเจอพระพุทธรูปเข้า จิตใจย่อมอ่อนโยนเคารพกราบไหว้บูชาไม่ถือเป็นอริราชศัตรูแต่อย่างใดพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำกรองเพีงก็เช่นเดียวกันพวกในพราที่มาพักค้างคืนที่ถ้ำนั้นย่อมกราบไหว้บูชาและขอขมาลาโทษกันบางรายที่พิศดารแปรเพื่อนฝูงอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นแบบพนุษย์สันดานสัตว์ดังที่เขียนไว้ข้างบนนั้นยังอธิษฐานขอให้หลวงพ่อพระพุทธรูปช่วยบรรดาลให้สั์ให้เนื้อที่จะเป็นอาหารเช่นอีเก่ง กว่างเป็นต้นจงเดินสมซานตาฝ่าตา ฟ, า, ต า, ฟางไม่มีสติสตังระมัดระวังตัวเดินงุ่มงามท่วมเตี่ยมแบบสัตว์ตายมาแถวบริเวณที่ในพรานจดจ้องคอยทีอยู่และยิงเอายิงเอาจนหาผามไปไม่หวาดไม่ไหวโน่นเถิดดังนี้ก็มีมนุษย์เรามาหลายแบบแต่ในพรานพิสรางที่กล่าวถึงข้างบนนี้ปรับคิดและทําแบบมนุษย์ทั้งหลายไม่คิดและทํากันเลยเขาชื่อในพรานบุญนาที่พ่อแม่ญาติวงตั้งให้ แต่วันเริ่มแรกเกิดองเล็บเปิดที่ถูกเขาควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเสื้อใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการที่เขาทําในปัจจุบันว่านายบาปหนาจะเหมาะดีองเล็บปิดวันนั้นเขาไปเที่ยวล่าเนื้อที่ไหนๆไม่มีอะไรติดมือมาเลยจึงเข้ามาแวะพักที่ทํากรองเพนด้วยความอ่อนกายอ่อนใจแม้แต่คนก่อนที่เขามาเที่ยวล่าเนื้อแถวนั้นเขาก็เคยมาแวะพักที่ทํานั้นเหมือนกันเป็นแต่เขาไม่คิดพิสดารเหมือนครั้งนี้มาเที่ยวนี้ บวกกับความเสีย ใ, ใจที่ไม่มีเนื้อชนิดใดผ่านสายตาและยิงได้ติดมือมาบ้างเลยเขาจึงเริ่มแสดงความพิศดะลานขึ้นในถา้ากลางเพื่อนๆในพรานด้วยกันโดยไปจับเอาพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ในถ้ำมาตั้งเป็นแถวยาวเหยียดหลายแถวด้วยกันพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าวันนี้หายิงเนื้อทั้งป่าก็มาเห็นเนื้อสักตัวเดียวติดมือมาต้องเป็นเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้เองรายมลไล่เนื้อให้หนี ห่างไกลจากอันตรายคือในพรานที่มาเที่ยวล่ายิงเขาตามบริเวณนี้เราต้องเอาพระพุทธรูปเหล่านี้มายืนเป็นแถวเหมือนทหารและฝึกหัดพระพุทธรูปเหล่านี้แบบทหารและสั่งสอนเสบ้างจะได้รู้กฎระเบียบของในพรานพระเหล่านี้จึงจะเข็ดหลบับไม่ไล่มลไล่เนื้อให้หนีไกลอีกต่อไปในมือถือไม้คอยตีคอยหวดหลังพระพุทธรูปองค์ที่ไม่ทําตามคําสั่งและทําการฝึกหัดพระพุทธรูปที่ตั้งเป็นแถวเรียงรายกันอยู่นั้น เช่นเดียวกับเขาฝึกัทหารว่าขวาหันบ้างซ้ายหันบ้างกลับหลังหันบ้างหน้าเดินบ้างพร้อมกับเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือตีด้านหลังพระพเสรูบบ้างหดลงด้านบนเสียนพระบ้างหาว่าไม่ทำตามคำสั่งของนายทหารคือในพรานบ้าคนนั้นพระพเสรุบที่ถูกตีตกออกไปนอกแถวก็จับขึ้นมาตั้งในแถวแล้วสั่งประกาศว่าขวาหันซ้ายหันไปเรื่อย หวดพระพุทธรูปตกกระจัดกระจายและเที่ยวจับขึ้นมาไว้ในแถวแล้วสั่งงานและหัวดดะไปทนองนั้นจนหมดฤทธิ์บ้าแล้วจึงหยุดบรรดาในพรามที่ไปด้ยวยกันต่างก็ได้ห้ามพรามตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เห็นอาการไม่ดีของเขาแสดงออกโดยให้เหตุผลต่างๆที่ไม่ควรทําต่อท่านจะเป็นบาปหนักและตกนรกทั้งเป็นก็ได้ถ้าขืนทําเพราะพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นคือองค์แทนพระพุทธเจ้าการทําลายพระพุทธรูป โลกถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งเป็นบาปหนักมากไม่ควรทำลายอย่างยิ่งเนื่องจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปคือหัวใจชาวพุทธทั้งมนุษย์ทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาครุฑเปรตผีทั้งมวลแต่ในบาปหนาไม่ยอมฟังเสียงมีแต่จะทำและทำท่าเดียวพวกในพรานไม่เห็นว่ามาในการจึงต่างคนต่างเพนนี้เป็นคนละทิศละทางและวิ่งกลับบ้าน เล่าเรื่องบ้าหนักบาปนะของต่ครังนรกคนเป็นให้ชาวบ้านฟังต่างเกิดความสลดสังเวชไปตามๆกันเพราะเป็นสิ่งไม่เคยมีเรื่องไม่เคยปรากฏก่อนที่แกพูดว่าจะจับพระพุทธรูปมาตั้งเรียงแถวและฝึกวิชาทหารให้นั้นดูดูแกก็มีสติดีอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปพูดอะไรก็รู้เรื่องกันอยู่ในขณะนั้นจะว่าแกเป็นบ้าก็ไม่สนิทใจเป็นแต่มีอาการโทรสะให้เห็นชัดอันนึ่งมาจะแกไม่ได้พบเนื้อยิงเนื้อและได้เนื้ออะไรในวันนั้น ดังที่แกพูดโมโหให้กับพระพุทธรูปว่ารายมนไล่เนื้อหนีไปที่อื่นๆหมดแกจึงโกรธให้ท่านและจับมาทุบตีย่ํายีไปตามอารมณ์เท่านั้นก็ไม่เห็นอารมณ์บ้าจริงๆในเวลานั้นอันพระพุทธรูปทั้งหลายทั่วแดนไทยชาวพุทธเราใครก็ทราบอยู่แล้วอย่างเต็มใจว่าท่านม่ใช่ทหารท่านม่ใช่วัวกวาย่พอจะจับท่านมาฝึกหัดแบบตำรวจทหารและจับมาใส่คราดใส่ถ่ายใส่ล้อใส่เกวียน ทำไมแกจึงกล้าไปจับท่านมาทําอย่างนั้นได้ลุงคอถ้าไม่ใช่บ้าจนเกินบ้ามนุษย์ในโลกเรานี่ก็น่าคิดถ้าจะคิดถ้าไม่คิดก็บ้าสมองไม่เป็นบ้าอีกแก่หนึ่งไปตามแกผู้เปิดทางบ้าไว้ให้คนดีพลอยเป็นบ้าเย่อยๆไปด้วยเมื่อหมดลิ์บ้านรนกแตกแล้วเวลาแกกลับไปถึงบ้านแกก็เป็นคนดีมีสติอยู่เหมือนคนธรรมดาเป็นแต่อาการฉุนเฉียวยังมีอยู่ในอาการของแกขณะนั้นใครๆก็ ไม่กล้าทักทายไต่ถามแก่เลยเพราะต่างก็ทราบการกระทําอันเลวทามจนหาที่เปรียบเทียบของแกไม่ได้อยู่แล้วต่างคนจึงเก็บตัวสงบอาการแสดงออกใดๆทั้งสิ้นกระทั่งคนในบ้านแกเองเป็นเพียงคอยสังเกตความเคลื่อนไหวไปมาของแก่อยู่เท่านั้นแก่เองก็มีอาการเคร่งขรึมไม่พูดอะไรซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วจึงไม่มีใครกล้าแสดงกิริยาอาการใดๆให้แสดงหูแสดงตาและแสดงใจแก่ เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์พอตกกลางคืนมาได้ยินเสียงแกพูดแกบนว่าคันตามร่างกายในลักษณะของคนมีสติทั่วๆไปคนในครอบครัวได้โอกาสก็มาไต่ถามเรื่องราวกับแกแกก็เปิดเอาไว้ว่าส่วนต่างๆให้ดูพร้อมก็บอกว่าเจ็บ ป, ปวดแสบร้อนและคันมากจนแทบทนไม่ไหวอยากร้องครางให้คนมาช่วยขณะที่แกเปิดร่างกายส่วนต่างๆให้ดูทั้งในและนอกร่มผ้า ปรากฏว่าเป็นผื่นและพองไปทั้งตัวและเป็นขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาทั้งการเจ็บปวดแสบร้อนก็ตามตามกันมาอย่างรวดเร็วเช่นกันจนทนไม่ไหวแกร้องให้คนช่วยและร้องไห้ร่าวกับเด็กๆในเวลานั้นจนเรื่องกระเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้านต่างคนซึ่งคอยฟังคอยทราบเหตุการณ์อลามกจกเปรตของแคที่ทําต่อพระสรุปอยู่แล้วต่างก็วิ่งกระหืดกระหอบมาในทันทีทันใดและเห็นเหตุการณ์อย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจ แต่ยังไม่มีใครกล้าพูดความจริงที่แกทำต่อพระพุทรูปออกมาอย่างเปิดเผยเกรงว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเพิ่มขึ้นอีกในเวลานั้นเป็นเพียงคนแก่ผู้ฉลาดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหาอุบายพูดเปรียบเปรยให้แกฟังโดยทำนองเรื่องพันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เคยเป็นปนกันแต่น่าจะเป็นเรื่องเคราะ์เข็นเวรภยัยเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าขอให้แกคิดทบทวนดูว่า ในระหว่างนี้ได้ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามมาบ้างลองคิดทบทวนดูบางทีอาจมีได้ดูเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้มันผิดธรรมดาสามัญอยู่มากการคันการเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกาย ใ, ใครๆก็เคยเห็นเคยเป็นแต่ไม่เป็นอย่างผิดสังเกตมากดังที่แกกำลังเป็นอยู่เวลานี้นี่ดูร่างกายทุกส่วนมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งยังไงพี่กร่างกายก็เป็นผื่นและพองขึ้นพองขึ้น รวดเร็วผิดธรรมดามันน่าจะมีอะไรบันดาลให้เป็นไปไม่ใช่ธรรมดาพาให้เป็นไปถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ว่ากำบันดาลกำพาให้เป็นไปนั่นเองลองพิจารณาทบทวนดูความเคลื่อนไหวไปมาและการกระทําของตนดูให้ดีคนเราย่อมมีความพลังเผลอและหลวมตัวได้เป็นธรรมดาถามไปพลางพยาบาลรักษากันไปพลางดูอาการดีและชั่วของคนเจ็บไปพลางถามเรียบเรียบเคียงเคียงไปพลาง ถามคนเดียวไปพลางผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนละคนไปพรางเว้นแต่พวกในพรานที่เห็นเหตุการณ์ของแก่ไม่ยอมมาเยี่ยมบ้านแก่เลยก็มีเพราะสะเทือนใจจากการกระทําให้ดีของแก่เป็นอย่างมากเกินกว่าจะมาใต่าถามอันเป็นการประจานหน้าแก่ต่อถาลกกำนันแม้ในพรานที่มาก็ดำด่ำ ม, มองๆไม่ยอมให้แก่เห็นหน้าเลยกลัวจะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นอีกเมื่อ เล่าเรื่องดีเรื่อ ง, องชั่วต่างๆและซักไปถามมาหลายครั้งหลายหนจากหลายผู้หลายคนด้วยอาการเรียบๆเคียงๆทางบุญทางบาปตลอดนรกสวรรค์ไม่หยุดย่อนทําให้แกระลึกรู้ดีชั่วบุญบาปได้และผูใ้ใดคนทั้งหลายฟังตามเหตุการณ์ที่แกไปทํากับพระพุทธรูปในถ้าคลองเพนมาด้วยความมีสติสตังระลึกรู้บุญบาปเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีวิกลจลิตผิดธรรมดาแฝงออกมาแต่อย่างใดเลย เมื่อเห็นเป็นช่องโอกาสอันดีคนแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและเป็นที่เคารพนับถือของตัวแก่เองก็พูดเป็นเชิงตกใจกลัวบาแปและตกนรกทั้งเป็นให้แก่ฟังโดยประการต่างๆเช่นพูดว่าพระสรุปทั้งหลายเป็นองค์แทนพระาศาสดาองค์บรมครูของโลกและเป็นจุดรวมแห่งดวงใจาชาวบุตรทั้งหลายทั่วดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ตลอดเทวบุตรเ ท, ทวดาอินพรหมยมยักษ์หน้าครุฑ เปตผีไม่มีประมาณล้วนเคารพนับถือและรักสงวนกันมากพร้อมทางการอรารักขาไม่ให้ใครมาแตะต้องทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้พระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นมีเทวดาน่าครุฑทั้งหลายรักษาท่านอยู่เป็นประจำใครจะไปทําสุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้จะถูกเทวดาที่อรารักขาทั้งหลายทําโทษเอาด้วยวิธีการต่างๆตามแต่ลิทธาสักดานุภาพของเทวดานั้น จะ แ, แสดงตามความเห็นควรของตนและตามกรรมหนักเบาของผู้ไปรุกรานนั้นนถ้าเป็นดังที่แกเล่ามานี้ตัวพ่อเองและชาวผู้ทั้งหลายก็ไม่อาจสงสัยที่ร่างกายของแกกําลังเป็นไฟเผาทั้งตัวอยู่เวลานี้ต้องเป็นเพราะแกคิดไม่ดีทําไม่ดีต่อพระพุทธรูปเหล่านั้นแน่นอนเอาละ่ะไม่เป็นไรเมื่อทราบตน้นสายปลายเหตุแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วจ่อมเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์นี้ให้เบาบางและหายไปได้ไม่สุดวิสยัย พ่อจะพาลูกขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้อดโทษแก่หลานได้หายจากโรคอุบัติในเมชานี้แม้ตัวในพรานบุญนาในวงเล็บบาปนาะนั้นก็เชื่อตามคำที่คนแก่ชี้แจงให้ฟังทุกอย่างไม่ขัดขืนและยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นขึ้นในเวลานั้นยังเห็นได้ชัดในสายตาคนทั่วไปปัญหาที่ยังไม่ลงกันได้สนิทในเวลานั้นมีอยู่ว่า คนป่วยแสดงความท้อใจที่จะไปขอขมาโทษต่อพระพุทธรูปที่ทำครองเพลในเวลานั้นว่าจนใจจะทำอย่างไรเวลานี้กำลังเจ็บมากคันมากออกร้อนมากอยู่ยังไม่สามารถไปได้จะให้ทำอย่างไรคนแก่พูดปลอบโยนในทันทีทันใดว่าไม่เป็นไรแม้จะยังไปไม่ได้ในเวลานี้พวกเราก็สามารถขอขมาโทษทันได้อย่างไม่มีปัญหาคือพวกเราเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้า มาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้านี้แล้วหาดอกไม้ทูบเทียนมากราบครวะขอโทษท่านที่นี้ก่อนเมื่อหายจากป่วยแล้วค่อยไปครวะท่านที่่ามกรองเพลนทีหลังผลยังได้พอๆกันไม่ต้องเสียใจว่าแล้วก็สั่งให้คนเชิญพระพุทธรูปมาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้าคนเจ็บแล้วนำคนป่วยกล่าวคําขอขมาโทษพระพุทธรูปนั้นเสร็จลงด้วยความเบากายโล่งใจทั้งสองฝ่าย งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างท่ามกลางหมู่ชนจํานวนเป็นรือร่อยๆซึ่งล้วนเป็นไทยมุงแตกตื่นแฮแห่นเข้ามาดูเหตุการณ์ในเวลานั้นราวกับฟ้าดินทร่มและเป็นประวัติการณน่าอาัศจรรย์บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีได้แสดงขึ้นอย่างเห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจแก่คนทั้งหลายที่ทราบเหตุการณ์ของนายพรานบุญนาได้ดีโรคพิสดารเกินคนของนายพรานบุญนาได้เริ่มสงบลงโดยลำดับ นับแต่การเห็นโทษและขอขมาพระพุทธรูปผ่านไปแล้วและหายไปยังสนิทในเวลาอันรวดเร็วผิดธรรมดาในพรานได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอและต่อคอกับอาจารย์ชั้นเยี่ยมคือพระพุทธรูปที่ท่ามกรองเพลนมาแล้วเขาเคศหลาบขาบยากปฏิญญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่ล่วงเกินท่านด้วยจริยาอาการใดๆอีกเป็นอันขาดตลอดวันตายเพราะได้ประจากกับตัวเองชนิดไม่มีวันหลงลืมแล้วพอเรื่องผ่านไปไม่กี่วัน โรคหายเป็นปกติแล้วเขาก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาโทษพระพุทรูปที่ถ้ำครองเพลินซึ่งเขาเคยถือว่าท่านเป็นทหารฝึกหัดของเขากราบแล้วกราบเล่าพร้อมกับคําขอขมาลาโทษและคําอธิษฐานจะไม่เป็นคนสันดานหยาบช้าลามกดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกต่อไปแม้ที่เคยเป็นในพรานก็จะหยุดจังเล็ดขาดตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันตายด้วยความถึงใจว่าบาปมีบุญมีนรกมี สวรรค์มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่สงสัยเรื่องของในพรานจึงขอจบลงคำถามคำตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่การเทศนาสั่งสอนประชาชนพระเนนท่านก็สอนมามากต่อมากการโต้ตอบปัญหาข้อความใจที่มีผู้มาถามท่านก็ตอบเพื่อความเข้าใจแก่ประชาชนพระเนน ม, มามากต่อมากเช่นเดียวกันอันดับต่อไปนี้จึงขอนําปัญหาคําถามคําตอบของท่านมาลงในที่นี่พอประมาณ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 อันเปรียบเหมือนเรือนจำขังทรัพย์ผู้ต้องโทน